คนใดมีทุกยังจเจริญไม่ได้และไปสอนให้คนอื่นไม่ทุกคนนั่นก็ต้องจเจริญและกับคนไม่มีทุกมากขึ้นมากขึ้นนี่ว่าพุท ธ, ธาศาสนาเจริญถ้ามีคนไม่มีทุกอยจากร้อยคนก็เรียกว่าทาบุญต่ออายุและพุท ธ, ธาศาสนาก็เจริญคำว่าทาบุญต่ออายุนี้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 คือการเคลื่อนการไหวนี่เองตัวอิริยบทหนาเป็นทุกข์เพราะเรามีความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นกลวมไม่รู้ว่าหายไปเมื่อกลักวมไม่รู้หายไปก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงตามผ่วงเป็นจริงทุกต้องกําหนดลูกคือมากําหนดตัวลูกเราทำได้เราเคลื่อนเราไหวได้ตัวลูกสมุทัยต้องละ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 แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้มักต้องเจริญมักก็ต้องทําบ่อยๆทําความรู้สึกบ่อยๆเมื่อมันคิดขึ้นมาแล้วก็ทําความรู้สึกกำมือบ้างเหยียดมือบ้างแบมือบ้างข่้ว ม, มือบ้างยกมือบ้างจึงมีวิธีการอย่างที่ทำภาษากับคนที่ไม่มีปัญญาเนื่อ คนที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมากทำเป็นจังหวะพลิกมือขึ้นข้อมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวาเลียวซ้ายเลียวขวาพิษตาอ้าปากคืนน้ำลายหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวอย่างนี้บ่อยๆเขาเรียกคนไม่หลงตน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 จริงว่ารู้ของไม่จริงถ้ารู้ของไม่จริงมันกนแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่จะกศึกษาหาเงินหาทองหาความรู้อย่างใดใก็ตามต้องศึกษาชีวิตเป็นสิ่งสำคัญถ้าหากที่จริงแล้วศึกษาชีวิตก่อนเมื่อรู้จักชีวิตของตัวเองแล้ว